ปั น, น, านาคตาวาระอนุโลมบุคคลจากขุนตริยมูลกละใน366อนุจากขุนสีของบุคคลใดกำลังเกิดโสตินสีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปชิมภวิกะบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิบุคคลเหล่าใดจะอุบัติในอรูภูมิแลบปริณิพานบุคคลเหล่านั้นผู้กำลังอุบัติ จากขุนรีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่โสตินรีไม่ใช่จากเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีจากขุเกิดได้กำเนิดอุบัติจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและโสตินรีก็จากเกิดปาฏิโสตินรีของบุคคลใดจากเกิดจากขุนศีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีจากขุเกิดไม่ได้กำเนิดอุบัติ โสตินซีของบุคคลเหล่านั้นจกเกิดแต่จากขุนศีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจักขู่เกิดได้กำลังอุบัติโสตินซีของบุคคลเหล่านั้นจกเกิดและจากขุนศีก็กำลังเกิดอนุจากขุนศีของบุคคลได้กำลังเกิดคาณินซีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมภวิกะบุคคลผู้กำลังอุบัติในบรญจโวกรภูมบุคคลเราได้จากอุบัติในรูปาวจรภูม และอรูปาวจรภูมิและปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังอุบัติจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่คาเนนรียไม่ใช่จากเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีจากขุเกิดได้กําลังอุบัติจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและคาเนนรียก็จากเกิดปฏิคาเนนรียของบุคคลใดจากเกิดจากขุนศีของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติ บุคคลผู้มีจักขู่เกิดไม่ได้กำลังอุบัติคาเนนซีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่จักขุนสีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจักรขู่เกิดได้กำลังอุบัติคาเนนซีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและจักขุนสีก็กำลังเกิดอนุจักขุนสีของบุคคลใดกำลังเกิดอีทธินสีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปาจิมภวิกะบุคคลผู้กำลังอุบัติในบรญจโววการภูมิ บุคคลเหล่าใดจะอุบัติในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิและปรินิพานและบุคคลเหล่าใดมีปุริสะเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังอุบัติจากขุนรีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่อิทินรีไม่ใช่จากเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีจักขุเกิดได้กําลังอุบัติจากขุนรีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิด และอิทถินีเขก็จะเกิดปฏิอิทธินีของบุคคลใดจะเกิดจากขุนสีของบุคคล น, นั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีจักขู่เกิดไม่ได้กําลังอุบัติอิทธินีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่จากขุนสีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีจักขู่เกิดได้กําลังอุบัติอิทถินีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและจากขุนสีกขากำลังเกิดอนุ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 จากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่ป no, ุริสินศีไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี <AP> ้ผู Barnes, ้มีจักขู่เกิดได้กำลังอุบัติจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและปุริสินศีก็จกเกิดปฏิปุริสินศีของบุคคลใดจกเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กาลังจุติบุคคลผู้มีจักขู่เกิดไม่ได้กำลองอุบัติ ปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นจกเกิดแต่จากขุญสีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจากขุเกิดได้กำลังอุบัติปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นจกเกิดและจากขุนสีก็กำลังเกิดอนุจากขุนสีของบุคคลได้กำลังเกิดชีวิ ต, ตินรียของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิประชิมพรวิกะบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิด แชีวิตินทรีย์ไม่ใช่จากเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีจากขู่เกิดได้กำลังอุบัติจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและชีวิตินทรียีก็จะเกิดปฏิชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดจะเกิดจากขุนศีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีจากขู่เกิดไม่ได้กำลังอุบัติชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่จากขุนศีไม่ใช่จากเกิด บุคคลผู้มีจักขู่เกิดได้กําลังอุบัติชีวิตสินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจกเกิดและจกักขุนสีก็กำลังเกิดอนุจกักขุนสีของบุคคลใดกำลังเกิดโสมนัสสินรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปัจชิมภวิกาบุคคลผู้กําลังอุบัติในปัญจโวกราภูมิและบุคคลเหล่าใดผู้มีจักขู่เกิดได้มีอุเบกขาจากอุบัติแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังอุบัติ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 สมณสินสีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่จากขุนสีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจักขู่เกิดได้กำลังอุบัติโสมณสินสีของบุคคลเหล่านั้นจกเกิดและจากขุนสีข้วกำลังเกิดอนุจากขุนสีของบุคลคลใดกำลังเกิดโอเปขินสีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิประชิมพรวิกรบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิและบุคคลเหล่าใดผู้มีจักขู่เกิดได้ และมีจิตเป็นโสมนัสจากอุบัติแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังอุบัติจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่อุเปกินสีไม่ใช่จากเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีจักรขูเกิดได้กําลังอุบัติจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและอุเปกินสีข้อจากเกิดปฏิอุเปกินศีของบุคคลใดจากเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติ บุคคลผู้มีจักขู่เกิดไม่ได้กำเนิดอุบัติอุเปขินสีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่จากขุนศีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจักขู่เกิดได้กำเนอดอุบัติอุเปขินสีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและจากขุนศีก็กำลังเกิดอนุจากขุนศีของบุคคลใดกำลังเกิดสัตทินศีปันยินรีมนินรีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิ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 บ Dante, ุคคลผู้มีจักขผูกเกิดไม่ได้กำลังอุบัติมนิณีสีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่จักขุนสีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจักขผูกเกิดได้กำลังอุบัติมนิณีสีของบุคคลเหล่านั้นจกเกิดและจักขุนสีก็กำลังเกิดจักขุนธริยะมูลกะในจบคาณินธริยะมูลกะใน367อนุคาณินทรียของบุคคลใดกำลังเกิด อิทธิฉินจีของบุคคล น, นั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมภวิกะบุคคลผู้กำเนงอุบัติในกางบาวจรภูมิบุคคลเหล่าใดจะอุบัติในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิและปรินิพานและบุคคลเหล่าใดมีปุริสะเกิดได้เถอปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำหนงอุบัติคาณินจีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่อิทธิฉินจีไม่ใช่จะเกิด บุคคลนอกนี้ผู้มีคานะเกิดได้กำเนิอุบัติคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและอิทธินรีก็จะเกิดปฏิอิทธินรียของบุคคลใดจกเกิดคานินทรียของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำเนิอุบัติอิทธินรีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่คานินทรีย์ไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กำเนิอุบัติ อิทสิศีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและคานินรีย์ก็กําลังเกิดอนุคานินรียของบุคคลใดกําลังเกิดปุริสินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมภวิกะบุคคลผู้กำเนาอุบัติในกลามอวจรภูมิบุคคลเหล่าใดจะอุบัติในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิและปรินิพานและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้เถอปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละ แล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังอุบัติคาินนรีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่ปุริสินรีไม่ใช่จกเกิด <Jobs> บุคคลนอกนี <prere Paris> ้ผู <j ck> ้มีคานะเกิดได้กำลังอุบัติคาินนรีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและปุริสินรีก็จะเกิดปฏิปุริสินรีของบุคคลใดจะเกิดคาเนนรีของบุคคลนั้นก็กาลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กาลังจุติ บุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติปุริสินีของบุคคลเหล่านั้นจักเกิดแต่คานินีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กำลังอุบัติปุริสินีของบุคคลเหล่านั้นจักเกิดและคานินีก็กำลังเกิดอนุคานินีของบุคคลใดกำลังเกิดชีวิตินีของบุคคล น, นั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิประชิมพวิกรบุคคลผู้กำลังอุบัติในกามาวจรภูมิ คารณีสีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่ชีวิตินทรียีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีคารณะเกิดได้กำลังอุบัติคารียีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและชีวิตินทรียีก็จะเกิดปฏิชีวิตินทรียีของบุคคลใดจะเกิดคารณีสีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กาลังอุบัติ ชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่คานินรีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กำลังอุบัติชีวิตินทรียีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและคานินสีก็กำลังเกิดอนุคานินรียของบุคคลใดกำลังเกิดโสมนัสินรีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปฏิทิมภวิกะบุคคลผู้กำลังอุบัติในกรรมวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดผู้มีคานะเกิดได้ และมีจิตเป็นอุเบกขาจากักอุบัติแลปริณิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังอุบัติคาณิสีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่สมมรสนิสีไม่ใช่จากเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีคานะเกิดได้กําลังอุบัติคาณิสีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและสมมรสนิสีก็จากเกิดปฏิสมมรสนิสีของบุคคลใดจากเกิดคาณิสีของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิ บุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีคาเน่เกิดไม่ได้กําลังอุบัติโมสมนสนิจสีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่คานินรีย์ไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กําลังอุบัติโมสมนสนิจสีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและคานินรียก็กําลังเกิดอนุคานินรียของบุคคลใดกําลังเกิดอุเบกินรียของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิ ป <minutes> ัิมพวิกะบุคคลผู้กำลังอุบัติในกลางมวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีคานะเกิดได้และมีจิตเป็นโสมันจักอุบัตแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังอุบัตคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่อุเปกขินรีไม่ใช่จักเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีคานะเกิดได้กำลังอุบัตคานินจียของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและอุเปกขินรีก็จักเกิดปฏิ อุเบกินรีของบุคคลใดจกเกิดคาเนินสีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคลบคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลังอุบั Answer, ติอุเปกินรีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่คาเนินรีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กำลังอุบัติอุเปกินรีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและคาเนินสีก็กำลังเกิดอนุคาเนินทรียของบุคคลใดกำลังเกิด จัดทินซีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปฏิทิมพวิกะบุคคลผู้กำลังอุบัติในกามาวจรภูมิคานินซีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่จัดทินซีไม่ใช่จักเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีคานะเกิดได้กำลังอุบัติคานินซีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและสสจะัดทินซีก็จะเกิดปฏิจัตทินซีของบุคคลใดจกเกิดคานินทรียของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหม วิบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กําลังอุบัติสทินสีของบุคคลเหล่านั้นจักเกิดแต่คานินสีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กําลังอุบัติสถินสีของบุคคลเหล่านั้นจักเกิดและคานินสีก็กําลังเกิดอนุคานินสีของบุคคลใดกําลังเกิดปัญญินสีมณินสีของบุคคลนั้นก็จักเกิดใช่ไหมวิ ปัชิมภวิกระบุคคนผู้กำลังอุบัติในกางมอวจรภูมิคานินสีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่มนินรียไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีคานะเกิดได้กำลังอุบัติคานินสีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและมะนินรียก็จกเกิดปฏิมนินรีย์ของบุคคลใดจกเกิดคานินสีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติ บุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลังอุบ mm. ัติมันินซีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่ค่านินซีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กำลังอุบัติมันินซีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและค่านินซีก็กำลังเกิดค่านินทิริยะมูลกะในจบอิทธินทิริยะมูลกะในสาร้อยหกสิบดอนุอิทินซีของบุคคลใดกำลังเกิด ปุริสินีของบุคคล น, นั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปจิ้งพวิกะบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กำลังอุบัติบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้จากอุบัติในรูปราวจรภูมิและอรูปราวจรภูมิและปรินิพานและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละและปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังอุบัติอิทธิินซีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่ปุริสินีไม่ใช่จกเกิด บุคคลนอกนี้ผู้มีอิทธิเกิดได้กําลังอุบัติอิทธิ์ศีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและปุริสินศีก็จะเกิดปฏิปุริสินศีของบุคคลใดจกเกิดอิทธิ์ศีลของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้กําลังอุบัติปุริสินศีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่อิทธิ์ศีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กําลังอุบัติ บุรี kan, สินสีของบุคคลเหล่านั้นจกเกิดและอิทธินสีก็กำลังเกิดอนุอิทธินสีของบุคคลใดกำลังเกิดชีวิตินสีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปชินพรวิกรบุคคลผู้มีอิทธิเอ๋อได้กำลังอุบัติอิทธินสีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่ชีวิตินสีไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีอิทธิขเอ๋อได้กำลังอุบัติอิทธินสีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิด และชีวิตินทรีย์ก็จะเกิดปฏิชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดจกเกิดอิทธินทรีของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้กําลังอุบัติชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่อิทธิินทรีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กําลังอุบัติชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจกเกิดและอิทธินทรียก็กําลังเกิดอนุ อิจิณสีของบุคคลใดกําลังเกิดโสมนัสสินสีของบุคคลนั้นก็แจกเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมภวิกะบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กนโอุบัติและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้และมีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติแล้วไปนิพพานบุคคลเหล่านั้นกําลังอุบัติอิจินสีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่โสมนัสสินสีไม่ใช่แจกเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีอิทธิเกิดได้กนโอุบัติ อิทธินิสของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและสมณสินสีก็จกเกิดปฏิสมณสินสีของบุคคลใดลจกเกิดอิทธินิสัยของบุคนนลบคล น, นั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้กําลังอุบัติโสมณสินสีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่อิทธิิสัยไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กําลังอุบัติสมณสินสีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิด อิทินรีก็กำลังเกิดอนุอิทินรีของบุคคลใดกำลังเกิดอุเบกินรีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมภวิกรบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กำลังอุบัติและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้และมีจิตเป็นสมณัจจกุบัติแล้วปริญิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังอุบัติอิทินรีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่อุเบกินรีไม่ใช่จักเกิด บุคคลนอกนี้ผู้มีอิทธิเกิดได้กําลังอุบัติอิทธินิสของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและอุเบกินสีก็จะเกิดปฏิอุเบกินสีของบุคคลใดจะเกิดอิอกกดอทธินสิสของบุคลกกบคล น, นั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้กําลังอุบัติอุเบกินสีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่อิทธินสิสไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กําลังอุบัติ อุเบกินสีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและอิทินรีก็กําลังเกิดอนุอิทินสีของบุคคลใดกําลังเกิดสัตินรียของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมภวิกรบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กําลังอุบัติอิทินรียของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่สัตินรีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีอิทธิเกิดได้กําลังอุบัติอิทินรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิด และสัตทินรีก็จะเกิดปฏิสัตถินรียของบุคคลใดจกเกิดอิทินรีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้กำลังอุบาทจัตถินรียของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่อิทธินรีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กำลังอุบาทจัตถินรียของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและอิทธินซีก็กำลังเกิดอนุ อิทินซีของบุคคลใดกําลังเกิดปันยินรี์มณินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมภวิกะบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กําเนิอุบัติอิทินซีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่มณินทรีย์ไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีอิทธิเกิดได้กำเนิดอุบัติอิทินซีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและมณินรียก็จะเกิดปฏิมณินรียของบุคคลใดจะเกิด อิทธินิจของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้กําลังอุบัติมณีนิจของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่อิทธินิจไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กําลังอุบัติมณินทริ์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและอิทธินิจโค้กําลังเกิดอิทธินทริยะมูลกะในจบปุริสินทริยะมูลกะใน 369อนุปุริสินีของบุคคลใดกําลังเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปฏิมภวิกรบุคคลผู้มีปุริจักเกิดได้กํำลังอุบัติปุริสินีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีปุริจักเกิดได้กํำลังอุบัติปุริสินีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและชีวิตินทรีย์ก็จักเกิดปฏิ ชีวิตจรีย์ของบุคคลใดจกเกิดปุริสินรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีปุริจักเกิดไม่ได้กำลังอุบัติชีวิตจรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่ปุริสินรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีปุริจักเกิดได้กำลังอุบัติชีวิตจรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและปุริสินรีย์ก็กำลังเกิดอนุปุริสินรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิด สมณสิณสีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปทิมพรวิเราะบุคคลผู้มีปุริชาเกิดได้กำลังอุบัติบุคคลเหล่าใดมีปุริชาเกิดได้และมีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังอุบัติปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่สมณศิณสีไม่ใช่จักเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีปุริชาเกิดได้กำลังอุบัติปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิด และสมณสินสีก็จะเกิดปฏิสมณสินสีของบุคคลใดจกเกิดปุริสินสีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีปุริจักเกิดไม่ได้กำลังอุบัติโสมณสินสีของบุคคลเหล่านั้นจกเกิดแต่ปุริสินสีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีปุริจักเกิดได้กำลังอุบัติโสมณสินสีของบุคคลเหล่านั้นจกเกิดและปุริสินสีก็กำลังเกิด อนุปุริสินสีของบุคคลใดกําลังเกิดปุเปกินสีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมภวิกละบุคคลผู้มีปุริสากเกิดได้กําลังอุบัติและบุคคลเหล่าใดมีปุริสากเกิดได้และมีจิตเป็นสมนัติจากอุบัติแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังอุบัติปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่อุเปกินสีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีปุริสากเกิดได้กําลังอุบัติ ปุริศินสีของบุคคลเหล of of ่านั้นกำลังเกิดและอุเปศินสีก็จะเกิดปฏิอุเปศินสีของบุคคลใดจกเกิดปุริศินสีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติและบุคคลผู้มีปุริจักเกิดไม่ได้กำลังอุบัติอุเปศินสีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่ปุริศินสีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีปุริจักเกิดได้กำลังอุบัติอุเปศินสีของบุคคลเหล่านั้นจกเกิด และปุริสินสีก็กำลังเกิดอนุปุริสินสีของบุคคลใดกำลังเกิดสัจตินสีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมภวิกรบุคคลผู้มีปุริจักเกิดได้กำลังอุบัติปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่สัจตินสีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีปุริจักเกิดได้กำลังอุบัติปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและสัทตินสีก็จะเกิดปฏิ สัจตินรียของบุคคลใดจกเกิดปุริสินรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีปุริจาศเกิดไม่ได้กำลังอุบัติสัจตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่ปุริสินรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีปุริจาศเกิดได้กำลังอุบัติสัทตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและปุริสินรีย์ก็กำลังเกิดอนุปุริสินรียของบุคคลใดกำลังเกิด ปัญญินทรีย์มนินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปชิมพรวิกะบุคคลผู้มีปุริสาเกิดได้กำลังอุบัติปุริสินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่มนินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีปุริสะเกิดได้กำลังอุบัติปุริสินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและมนินทรีย์ก็จัดเกิดปฏิมนินรียของบุคคลใดจักเกิดปุริสินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหม วิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีปุริสากเกิดไม่ได้กำลังอุบัติมนินรียจของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่ปุริสินีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีปุริสากเกิดได้กำลังอุบัติมนินิจของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและปุริสินรีก็กำลังเกิดปุริสินทริยามูลกะในจบชีวิตินภรียามูลกะในสามเจสอนุ ชีวิตจริงสีของบุคคลใดกำลังเกิดสมณสินรียของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิในอุปาทขณะแห่งปัจฉิมจิตปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธหรืออุเบกขาจกเกิดในลำดับแห่งจิตใจในอุปาทัขณะแห่งจิตนั้นชีวิตจริงสีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่สมณสินรีย์ไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้ผู้กำลังอุบัติในอุปาทัขณะแห่งจิตในประวัติการ ชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและสมณสิณสีก็จับเกิดปฏ Boo ิสมณสินสีของบุคคลใดจักเกิดชีวิตินทรียีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติในพังคขณะแห่งจิตในประวัติการสมณสินสีของบุคคลเหล่านั้นจักเกิดแต่ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตในประวัติการ สมณสิณสีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและชีวิตินทรีย์ก็กำลังเกิดอนุชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดอุเบกินสีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิในอุปาทขณะแห่งปัจฉิมจิตปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยสมณจะเกิดในลำดับแห่งจิตใจในอุปาทขณะแห่งจิตนั้นชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่อุเบกินรียไม่ใช่จักเกิด บุคคลนอกนี้ผู้กําลังอุบัติในอุปาทคณะแห่งจิตในประวัติการชีวิตจรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกนําลังเกิดและอุเปขินรียก็จะเกิดปฏิอุเปขินรีของบุคคลใดจะเกิดชีวิตจรีย์ของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติในพังคะขณะแห่งจิตในประวัติการอุเปขินรียของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่ชีวิตจริงไม่ใช่กําลังเกิด บุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตในประวัติการอุเบกินรีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและชีวิตตินทรีย์ก็กำลังเกิดอนุชีวิตตินทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดสัตตินรีปัญญินรีย์มนินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิในอุปาทคขณะแห่งปัจฉิมจิตชีวิตตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิ ด, ตกกดแต่มนินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้กำลังอุบัติ ในอุปาทคณะแห่งจิตในประวัติการชีวิตอินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและมนินทร์สีก็จะเกิดปฏิมนินทรีย์ของบุคคลใดจกเกิดชีวิตอินทรียีของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจิติในพังคขณะแห่งจิตในประวัติการมนินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่ชีวิตินทร์สีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัติ ในอุปาทคณะแห่งจิตในประวัติการบนันิสีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและชีวิตินทรียีก็กำลังเกิดชีวิตินทรียมูลกะาในจบโสมนัสสินทริยมูลกะในสยเจ็ิออนุโสมนัสสินสีของบุคคลใดกำลังเกิดอุเบกินรีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิในอุปาทคณะแห่งปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยโสมนัส ปัจจิมจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยโสมนัสจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทคณะแห่งจิตนั้นโสมนัสินสีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่อุเปขินรีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้มีจิตเป็นโสมนัสกำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยโสมนัสในประวัติการโสมนัสินสีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและอุเปขินสีก็จะเกิดปฏิอุเปขินรียของบุคคลใดจกเกิด สมนัติสินสีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากโสมนัสบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตต ภ, ภูมิอุเบกินสีของบุคคลเหล่านั้นจะกเกิดแต่โสมนัสสินสีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลมีจิตเป็นโสมนัสกำลังอุบตัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่สัมปยุจด้วยโสมนัสในประวัติการ อุเบกินรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและโสมนัสสินรีย์ก็กำลังเกิดอนุโสมนัสสินรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดสัจทินรี์ปัญญินรีย์มนินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิในอุปาทขณะแห่งปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธด้วยโสมนัสโสมนัสสินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่มนินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้มีจิตเป็นโสมนัสกำลังอุบัติ ในอุปาทขณะแห่งจิตที่จำปยุทธ์ด้วยโสมนัสในปรวัติการโสมนัสสินสีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและมนนิทรีย์ก็จะเกิดปฏิมนนิทรียีของบุคคลใดจะเกิดโสมนัสสินสีของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุตธจากโสมนัสบุคคลผู้เข้านิโรธาสมาบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอาศันยสัตต ภ, ภูมิ มณินรียของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่สมมณสินศีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลมีจิตเป็นสมมณตกำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่สัมปยุทธด้วยสมมณตในประวัติการมณินรีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและโสมมณสินศีก็กำลังเกิดสมมณสินทรียะมูลกะในจบอุเปขินทลียะมูลกะในสามร้อยเจ็ดสิบสองอนุอุเปขินศีของบุคคลใดกำลังเกิด จัทินซีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิในอุปาทขณะแห่งปัจฉิมจิตที่สัมปยุดด้วยอุเบกขาอุเบกินรีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่สัดทินซีไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีจิตเป็นอุเบกขากํำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่สัมปยุดด้วยอุเบกขาในประวัติการอุเบกินรียของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและสัดทินซีก็จะเกิดปฏิสัดทินซีของบุคคลใดจกเกิด อุเบกขินรีของบุคคล น, นั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากอุเบกขาบุคคลผู้เข้านโรธสมาบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอาศัยสัตต ภ, ภูมิสัตตินรีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่อุเบกขินรีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลมีจิตเป็นอุเบกขากำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่สัมปยุตด้วยอุเบกขาในประวัติการ ตินซีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและอุเบกขินซี ก, กซคค็กำลังเกิดอนุอุเบกขินรีของบุคคลใดกำลังเกิดปันยินรี์มณินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิในอุปาทขณะแห่งปัจฉิมจิต ท, ที่ัมปยุทธยอุเบกขาอุเบกขินรีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่มณินรียไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้มีจิตเป็นอุเบกขากำลังอุบัติ ในอุปาทัคขณะแห่งจิตที่สัมปยุทธิอุเบกขาในปวัติการอุเบกินรีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและมนินรีก็จะเกิดปฏิมนินรียของบุคคลใดจะเกิดอุเบกินรีของบุคลกกบ ค, บคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุทธิจากอุเบกขาบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้อุบัตอยู่ในอสัญญัตถภูมิ มณิณสีของบุคคลเหล่านั้นจกเกิดและอุเบกินสีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลมีจิตเป็นอุเบกขากำลังอุบัติในอุปาทคณะแห่งจิตที่สัมปยุทธิอุเบกขาในประวัติการมณิณรี์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและอุอเบกินสีก็กำลังเกิดอุเบกินทริยามูลกะในจกสถินทริยามูลกะในสาม้อยเจ็ดสิาอนุสถินสีของบุคคลใดกำลังเกิด ปัญญีนีมณี น, นีของบุคคล น, นั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิในอุปาทัคณะแห่งปัจฉิมจิตสัตทินรียของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่มนินทรียไม่ใช่จกเกิดบุคคล น, นอกนี้ผู้เป็นเสเหตุกะกําลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยศรัทธาในประวัติการสัตทินรียของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและมนินทรียก็จะเกิดปฏิมนินทีของบุคคลใดจกเกิด จัดทินรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทาขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากศรัทธาบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาัตภูมิมนินรียีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่สัสดทินรียไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้เป็นเสเหตุตุกกะกำลังอุบัติในอุปาทาขณะแห่งจิตที่สัมปยุจด้วยศรัทธาในประวติการมนินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิด และสัตทินรีก็กำลังเกิดสัตทินเทริยะมูลกะในจบปัญญินเทริยะมูลกะในสา4อเจอนุปัญญินซีของบุคคลใดกำลังเกิดมนินซีของบุคคลนั้นก็จักเกิดใช่ไหมวิในอุปาทขณะแห่งปัจฉิมจิตปัญญินรีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่มนินรีไม่ใช่จักเกิดบุคคลนอกนี้ผู้เป็นญานสัมบยุ์กำลังอุบัต ในอุปาทาขณะแห่งจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยยานในประเวิการปัญญินรียของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและมณินรียก็จะเกิดปฏิมณินรียของบุคคลใดจกเกิดปัญญินทรียของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิในพังคขาขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุทธจากยาบุคคลผู้เข้านิโรธาสมาบัตและบุคคลผู้อุบาติอยู่ในอาศันยสัตพภูมิ มณินสีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่ปัญญีนรีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้เป็นญาณสัมปยุกกำลังอุบัติในอุปาทัณะแห่งจิตที่สัมปยุกด้วยยานในประวัติการมณินรีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและปัญญีนรีก็กําลังเกิดปัญญเรลยมูลกะในจบ